ขอโมทนากับพวกเราในะตั้งใจที่จะฟังพระธรรมการอยู่ในศีลน่ก็คืออยู่ในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้วเราก็ไม่ตกจากศีขาไม่ตกจากศีลสมาธิปัญญาในเด่ถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นบอกว่าวันใดเราโดดออกจาก สิขาสามเดินโดดออกจากคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะทุ่มสีนั่นดิเขียนโลภ ก, ก็ได้เขียนโกรธก็ได้เข็นแล้วความเข้าใจผิดหลงผิดเกิดขึ้นก็ได้เพราะการเห็นทำให้กายทุจริตได้ไหมทำให้วจีทุจริตได้ไหมทำให้มโนทุจริตก่อนไหมได้เลยใช่ไหมเมื่อเกิดความนี้ ทุจริษสามก็จะตามมานั้นการเห็นก็สามารถได้ทุจริษสามได้ได้ยินทุจริตสามเกิดได้ไหมแม้กายทุจริตก็ได้วาจาทุจริษก็ได้ใจทุติยริษก็ได้ได้กลิน่นมทุจริตสามเกิดก็ได้กินอาหารทุจริษเกิดก็ได้นะกินปั๊บโลกได้ไหมพอ พอพอโลบเบสเสร็จนะพูดเทสได้ไหม น, น, นั่งกินกันหลายคนบอกินป๊บมันอร่อยจัดบอก <_ EN> โอ้ไม่ได้เรื่องเลยเพื่อนอย่า ก, กินนะเนี่ยก็หกไหม <_ EN> เห็นไหมเป็นโทษจริตเลยแล้วก็รีบตักใหญ่ใช่ไหมเอาเฮเห็นแก่เพื่อนเรากินให้หมดเสียเนี่ยไปเลยเดี๋ยวนี้ย <_ EN> นี่เห็นไหมเพราะการการกินไม่ได้ไข้ควรไม่ได้พิจารณาเสียศีนไหมเสียศีนอีกเยอะเลยเห็นไหม ลิฟสัมผัสถูกต้องเป็นเหตุแห่งทุจริตโรคโกรธหลงต่างๆแล้วกายทุติยริดวจีทุจริตเกิดก็ได้แล้วก็คิดนึกโอ้โหทุจริตโกรธเยอะเลยนต่ข่าวกับคนที่ทุศีลมากที่สุดการคิดเนี่ยฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคนที่รักษาศีลแล้วไม่วิจัยจึงเสียหายเยอะศีลจึงร่วงละเมิดอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะขาดการสารวมการไข้ควรการแล้วว่า ไม่รักษาศีลแบบรอบแบบครอบคลุมและมีไม่มีความเข้าใจถ้ามองอย่างนี้การอยู่ในศีลเนี่ยก็คืออยู่ในพระธรรมคำสอนของพระศ า, าสดาแล้วเราก็ไม่ตกจากศีกขาไม่ตกจากศีลสมาธิปัญญานเนี่ยเถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นบอกว่าวันใดเราโดดออกจาก สิขาสามเดินโดดออกจากคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเราจะทุศีเดันดีฉะนั้นต้องโดดกลับออกมาไหมต้องกลับเข้ามาในคำสอนถ้าออกไปทีไรก็เจ็บตัวทุกทีเจ็บปวดเพราะทุศีลแล้วแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ด้วยตรงนี้ก็ให้เข้าใจในลักษณะอย่างนี้นะนี่ก็เรียกว่าทำไมต้องคิดสรุปก็คือว่า ทางกายก็ทุจริตเกิดสามทางวาจาทุจริตเกิดเท่าไหร่เออขอไปทางทาวารหูเท่าไหร่ทางทาวารจมูกทุจริตก็ได้สามไหมทาวารลิ้นทาวารกายทางทาวารใจสามบนไหม <3 S 1> นั้นได้ทุจริตสาม่อสามหกเท่าไหร่ เมตุสุจริตสิบแปดก็จะเดินในกระแสใ จ, จของสัตว์ตลอดเลยนี่เป็นเงี้ยทีนี้ถ้าเราปิดได้ถ้าเราเข้าใจละพอเห็นเบ็ดเสร็จว่าเราไข้ควรแล้วได้สุจริตไหมได้กายสุจริตได้วาจาสุจริตได้ใจเมตสุสจริตสามก็จะมาเกิดแทนเขาเรียกว่าเจริญสุจริตสามในการเห็นหน้า จเจริญสุดเจริตสามในการได้ยินได้จเจริญสุดเจริตสามในการดมกลิ่นได้จเจริญสุดเจริตสามในการกินอาหารเจริญสุดเจริตสามในการใช้เครื่องนุ่งห่มแล้วก็จเจริญสุดเจริตสามในการคิดถึงพ่อถึงแพร่ถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงเรื่องราวต่างๆอ<ใช>ยากไหมอยากไหมอ<พ>ยาก ยากอยู่ตรงไหนเอายากอยู่ตรงไหนยากตรงหนึ่งไม่ยอมทำสถกทีเ่าไหรเราคงคิดว่ากุศลศีลของพระบรมศาสดาเนี่ยจะลอยจากฟ้าและโดดเข้าสู่ใจเราเองเป็นไปได้ไหมเราไปสวดมนต์เนี่ย อีติปิโซภาคาวารหังสมาเนี่ยคิดไหมว่าศีลจะโดดเข้าใจเองต้องมนสิกาให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นนะฉะนั้นจะต้องจะต้องค่ควนให้เกิดขึ้นอุศรศีลไม่ใช่ไปอ้อนวอนให้เกิดได้ไหมไม่ได้ไี่ไปขอได้ไหมอธิษฐานได้ไหม ได้อธิษฐานบารมีอธิษฐานว่าแหทั้างั้นอธิษฐานบารมีมีไหมเนี่ยปด<อ>พวกเราไม่ค่อยเข้าใจเลยอธิษฐานนีบารมีหมายความว่าอธิษฐานแล้วก็ทําเมื่อเช่นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่หยุดจกไม่หยุดบำเพ็ญศีลบารมีต้องให้บารมีให้เต็มไม่ได้ก็จะเป็นพระเจ้าท่านก็ทำเรื่อยจนได้บรรลุนี่นะเนี่ยอย่างเราก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้บรรลุคือถ้าไม่พ้นทุกข์ไม่หยุดเจริญศีล ใช่ไมต้องเจริญไปจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์เลยเนีย่ยไม่ใช่ว่าคำว่าเจริญคืออะไรคือการไข้ควรทำให้เกิดบ่อยๆมณัิการทำให้เกิดอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีลนะบอกตอนนี้ก่อนเพราะวันนี้นจะไม่ทันไงเพราะมันเป็นรายละเอียดเป็นเยอะเรื่องศีลเนี่ยนะเหตุใกล้ของศีลคือฮิริโอตปะความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเป็นเหตุใกล้ของศีล ทีนี้พาอบอกศีลเนี่ยนะก็มีความตั้งไว้ด้วยดีนะคือการเข้าไปทรงไว้เป็นลักษณะเนี่ยไอ้คำว่าตั้งไว้ด้วยดีในที่นั้นเน่ยหมายถึงอะไรก็คือทาทำกายกรรมวจีกรรมเนี่ยไม่ใช่คำว่าศีลนะความตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยที่เป็นศีลนะนี่นะ กรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นที่ตั้งไว้ด้วยดีด้วยเหตุนั้นทานั้นน่ะจึงเรียกว่าศีลหมายความบอกว่ากายกรรมกายกรรมที่ตั้งไว้ด้วยดีวจีกรรมที่ตั้งไว้ด้วยดีด้วยอานาจของความไม่ทุศีลอันนี้เรียกว่าตั้งไว้ด้วยดีใช่ไหม การที่กายวาจาตั้งไว้ด้วยดีไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายได้เพราะจิตใจนั้นมีศีลถ้าจิตใจไม่มีศีลกายวาจาจะตั้งไว้ดีไหมฉะนั้นตัวใจต่างหากเป็นตัวคุมสถานการณ์เยอะมควบคุมสถานการณ์ได้ฉะนั้นเพื่ออะไรมีการนํา นำสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และความทุกข์มาให้เธทุกสีนี่ใช่ไหมถ้าหากบอกว่าถ้าหากด้วยอำนาจของการที่บอกว่าการตั้งไว้ได้ดีก็คือนำประโยชน์นำประโยชน์มาให้ถ้าเรามองอย่างนี้บอกว่าในคำว่าสีละณะที่พระองค์เอทีท่านสอนไว้บอกว่า กรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นย่อมตั้งไว้ด้วยดีด้วยธรรมนั้นเหตุนั้นธรรมนั้นชื่อวศีลศีลเป็นเครื่องตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกรรมทั้งหลายเนะมีกายกรรมเป็นต้นก็หมายความบอกว่าถ้าหากว่ากายกรรมตั้งไว้ด้วยดีเพราะกายกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดปิดในกรรมวจีกรรมตั้งไว้ด้วยดีคือไม่พูดเท็จ ส, ส่อเสียดทำอย่าเพิรเจอใช่ไหมเหตที่ตั้งไว้ได้ดีเพราะต้อยในใจมีเจตนาศีล มีเจตสิกศีลมีสังวรมีอวิตรกามาคือการไม่ก้าวล่วงเนี้ยฉะนั้นจิตใจในขณะนั้นเป็นไปกับปัญญาเป็นไปกับความไม่โลภเป็นไปกับความไม่โกรธเวลาใจนั้นเกิดขึ้นเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะจิตใจนั้นก็ไปเกื้อกูลเลยทำกายให้ตั้งไว้ด้ดีๆทำวาจาให้ตั้งไว้ดีดทีนี้ กายวาจาก็ไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายแนละ้วไม่ไม่มีบาปไม่ร้านไปเพราะบาปประกรรมทั้งหลายแล้วเห็นรูปปุ๊บใจก็ตั้งไวด้ดีใช่ไหมกายก็มีทุกจริตวาจาก็ไม่ตั้งทุจริตได้ยินเสียงปุ๊บอาใจเพราะใจนั่นเองเป็นตัวไปกำหนดหรือ้อยครควรเข้าใจถูกต้องแล้วก็ไม่ปล่อยให้บาปไหลเข้าสู่ใจ พอบาปไม่ไหลเข้าสู่ใจแล้วกายก็มีทุติริตวาจาก็มีทุจริตใช่ไหมพอได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกต่างๆเหล่าเนี้ยด้วยการที่กุศลศีลกุศลศีล ก, ก็จะต้องคอยมาให้คนตลอดไหมให้คนตลอดเลยก็ปิดบาปได้อันนี้ชื่อว่าเป็นการเจริญกุศลไหมนี่ไงถ้าหากว่าทําอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานจะแข็งแรงไม่สิ ถ้าศีลแข็งแรงแล้วอย่างเงี้ยถึงจะเป็นภาชนะรองรับกุสุลธรรมไนดะ้กายกรรมทั้งหลายเนี่ที่เป็นไปด้วยอํานาจของผู้มีศีล น, นาสิ่งที่เป็นประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันและในการต่อไปอลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งไว้ด้วยดีเพราะอะไรรู้ไหมนําสิ่งที่นําสิ่งที่เป็นประโยชน์ถามบอกว่า ในขณะที่กุศลศีลเกิดขึ้นเนี่ยประโยชน์เกิดขึ้นกับตนเองไหมมีความสุขไหมความสุขในปัจจุบันด้วยแล้วก็จะได้ความสุขในการต่อไปด้วยแต่ถ้าทุศีลเวลาใดนะในขณะนั้นเนะ่ะนําสิ่งที่เป็นโทษเข้าตัวเองแล้วนะตอนนั้นเนะ่ะแล้วก็จะได้รับความทุกข์ในการต่อไปน ะ, ะการทุศีลเนี่ยทําลายตัวเองโดยแท้ก็อยาอย่าง การที่ตนเองไม่มีศีลเนี่ยการทำบาปให้เกิดขึ้นที่ไม่มีศีลเกิดขึ้นเน่ยเ oh. บียดเบียนตัวเองมโอ้โหงั้นคนมีปัญญาทั้งหลายจะต้องมีศีลใช่ไหมใช่จะต้องทำให้ศีลเกิดขึ้นปัญหาว่าจะทำให้เกิดยังไงพอมาณนะ เ, เวลานี้แล้วเนี่ยพอจะมองเห็นไหยว่ากุศลศีลเกิดไม่ยากแล้ว กลับมาเป้กลับบ้านไปเจอหน้าแม่หน้าลูกเจอหน้าสามีเจอหน้าเพื่อนทํงไงทำไงให้ศีลเกิดหรือเหมือนเดิมคิดว่าคิดว่าจะตั้งรับไหวไหมกุศลศีลจะเดินได้ไหมก็น้าน้าโมทนาลุ่มหน้า <laughs> แต่ต้องให้เกิดอริง แต่ถ้าขอาไม่เกิดดินะตัวใครตัวใครอย่าไปโกรธก็นะถ้าศีลแตกบางทีก็บางคนรักษาใหม่ๆนี่นะมันจะหลุดบ่อยใช่ไหมในข้าพานโกรธก็ชี้หน้าเพราะคุณนี่แหละทำให้ศีลเน่าขาดเขาลออกันเรื่องศีลตรงนี้ก็คือว่าเห็นไหมว่าเขามาจากคำว่าศีลนะท่านมาจากคำว่า กายกรรมทีนิสมาสมาทหันตีเอเตนาตีสีลังสีลาสมาธิร ม, มทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นตั้งไว้ได้ดีด้วยทำนะําว่าตั้งไว้ได้ดีนี่เข้าใจแล้วก็แปลว่าไม่ให้บาปเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่าไม่เกินกลนไม่กระจัดกระจายคือไม่สั้นไป อันนี้นี่ในความหมายหนึ่งส่วนอีกความหมายหนึ่งก็คือการเข้าไปทรงไว้ทรงไว้ในที่นี้มาจากคำว่าอุปปารานังนะอุปปารนังส่วนคำว่าตั้งไว้ด้วยดีนั้นมาจากคำว่าสมาทานังนี่ยนะตั้งไว้ด้วยดีในสมาทานังส่วนอุปปารานังเนี่ยได้แก่ความรองรับไวเนะี่ย อาทาราภาวเนี่ยด้วยอำนาจเป็นที่ตั้งมั่นในภาวะที่เป็นประธานเหตุแห่งความเปลนไปไม่หวั่นไหวของกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่าถ้ากุศลศีลเกิดขึ้นแต่เนี้ยถ้ากุศลกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตมีกุศลศีล น, นะทีนี้กุศลธรรมทั้งหลายนี่นะบุคคลใดย่อมทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นทำนั้นชื่อว่าศีลศีลเป็นเครื่องทรงไว้ของกุศลธรรมทั้งหลายถามว่าอุปาทารนังได้แก่ตั้งมั่นเป็นมูลเหตุเป็นมูลเหตุนะก็หมายความบอกว่าสติสมาธิปัญญาทั้งหลายเหล่านี้นะคุณธรรมระดับสูงสูงทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีฐานจะต้องมีมูลเหตุ เกจของกุศลศีลเหล่านั้นกุ ศ, ศลธรรมเหล่านั้นก็คือตัวกุศลศีลจึงเหมือนกับเป็นภาชนะหรือเป็นเหมือนกับฐานเป็นเหมือนกับฐานของพระเจดีย์ใช่เมื่อฐานของพระเจดีย์ตั้งมั่นดีแล้วฐานของตึกฐานของถนนตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยการจะสร้างตึกจะสร้างที่สูงสูงขึ้นไปทั้งหลายสบายแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะทำได้ เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นที่รองหรือทรงไว้อย่างนี้ถ้ามองงสิ่งต่างๆนี่เขาเรียกว่าสีแล้วนะตั้งไวได้ดีและเข้าไปทรงไว้เป็นลักษณะลักษณะของสีถ้าถามว่าตอนนี้เริ่มมองเห็นเข้าเห็นหน้าตาของสีนิดๆแล้วถ้าก็ถามว่าสีมีหน้าตาอย่างไงมีลักษณะอย่างไร เริ่มเห็นนี่อย่างลักษณะของเขามีสองลักษณะนะสมาทานังกับอุปะทานังถ้าสมาทานังแปลว่าตั้งไว้ด้วยดีอะไรตั้งไว้ด้วยดีกายวาจาที่ตั้งไว้ด้วยดีเพราะใจนั้นมีกุศลศีลเกิดอยู่ก็เลยทำกายกรรมวจีกรรมไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้านไปเพราะความทุศี มีชื่อว่าตั้งไว้ด้ีๆก็แรกใช่ไหมประการที่สองอุ ป, ปาทารนางังหมายถึงอะไรหมายถึงทรงไว้หรือเป็นประธานหรือเป็นเหมือนพาชนะหรือเป็นเหมือนฐานรองรับไว้ซึ่งกุศลแธรรมทั้งหลายเพราะกุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นต่อๆไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีกุศลและศีลเป็นเหตุ เป็นประธานเหตุเขาเยออย่างถามว่าศีลเป็นศีลเป็นเหตุของสมาธิไหมสมาธิเป็นเหตุของปัญญาเห็นไหมนั้นสมาธิจะเกิดได้ไหมถ้ากุศลศีลไม่มีไม่ได้เลยตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าทรงไว้ไมาจากคาว่าอุปาทานังนี่คือหน้าตาของศีลเริ่มมองเห็นอีกย่างอีลหลอดที่สอง อ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวรอบที่สามมีแค่สามรอบนะไม่มีรอบสีแล้วพอจะเริ่มเห็นหน้าตาของสีนี้ยังสีนิ่งเป็นรูปหรือเป็นนาม เ, นเข้าใจแล้วนะเป็นนามนะสีนที่เราเรียนเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลเริ่มเข้าใจแล้วนะ ประเด็นย่อมาก็คือให้เกิดยากหรือง่าย เ, าเสียงเริ่มเบาลงเริ่มเบาเลยสแสดงว่าเกิดยากใช่ ม, ม เ, เกิดยากโลภะเกิดยากหรือเกิดง่าย เ, เราจะเป็นทาตของโลภะหรือเป็นทาตของพุทธเจ้าแล้วเราจะต้องปฏิเสธโลภะหรือ หรือว่าปฏิเสธพระเจ้าเวลาใดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดเวนั้นเวลานั้นปฏิเสธพุทธเจ้าหรือปฏิเสธใครฉะนั้นคนมีลาโลภะโทสะโมหะเกิดไม่เคารพาพระพุทธเจ้ามีเป็นเรื่องจริงใช่ไหมให้ไปดูคําสอนดีท่านจะบอกเลยคนที่มีโลภะเกิดไม่เคารพาพระพุทธเจ้าคนที่มีโทสะเกิด ไม่เคารพพระพุทธเจ้าคนที่มีโมหะเกิดไม่เคารพพระเจ้าฉะนั้นถ้าโลภะโทสะโมหะเกิดตอนนั้นเราเป็นทาสของมานเป็นทาสของกิเลสสมานและใช่ไหมเราประกาศบอกว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าท่องกัทวันไหม ท่องเสร็จแล้วก็มากินอาหารด้วยความ อ, ร, อร่อยต่อไป <c oughs> เป็นทาสของใครเน <c oughs> ต่อไปเราต้องท่องเด็กป่าเขาพูดอย่ต้องทำให้ได้เนาะสำคัญเรามันท่องแบบแบบไหน <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนนักเรียนเหมือนนักเรียน เหมือนนักเรียนร้องเพลงชาติไม่รู้เรื่องอ่ะพอต่อหน้าเสาธงประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยร้องไปแค่นั้นกลับมาก็มาเล่นไม่เห็นมีความรักชาติอะไรเลยใช่ไหมเราก็เหมือนกันข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือ่อยก็ไม่เห็นมีความรักพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งใดเพือสร็จจริงๆก็ยอมต่อคิเลสต่อไป เหมือนกันไหมแล้วมแม้ถ้าถ้าที่จริงการประกาศอย่างนี้มันน่าจะประกาศจริงๆใช่ไไปประกาศในการจะทำว่าสวดมนในการเจริญกุศลเนี่ยเพราะเราคิดหลาบต่อการเป็นทาสของโลภะโทสะโมหะแล้วมันคอยบงการเราตลอดเวลานะในกระแสชีวิตของเราเนี่ย มันอยากได้อะไรมันก็บอกมันโกรธใครก็ให้เราทําสารพัดเลยนะแล้วว่ามันจะฟุ้งซ่านยังไงจะทําให้เราฟุ้งซ่านแล้วก็ฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาอย่างไงก็วิจิกิจฉาวิตกกังวล น, นอนไม่หลับยังไงมันจะทําให้เรายัางไงยอมมันหมดนะแต่เราก็บอกว่าเราเป็นทาสของพระเจ้ามันตรงกันข้ามไหมปากพูดเอกอย่างการกระทําอีกอย่าง อย่างนี้เรียกว่าปากว่าตาขยิบใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องมนสิการตั้งใจใหม่แล้วบอกว่าเอาจริงแล้วงานจริงหรือยังเดนเนี่ยมีจริงอยู่สองคนนี่โ้ยุ่งเล้วดนีเนี่ยลักษณะของกุศลศีเนี่ยนะกิจจะราสาคำว่ารดรดในที่เนี้ยนะในหน้าที่สิบสามเนี่ยราสาเนี่ย มีการย่ำยีความทุศีนเป็นกิจจราสะรถสในที่นี้ไม่ใช่เปรี้ยวหวานมันเค็มนะไม่ใช่รสเปรี้ยวรสหวานนะราสะในที่นี้แปลว่าหน้าที่แปลว่าการงานคาว่าศีลเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาทำกิตอะไรงานของเขามีหน้าที่ทำอย่างไรหน้าที่ของเขากคือย่ำยีไง ย่ยีความทุศีนก็หมายความว่าถ้าความทุศีนจะเกิดขึ้นมาพบเนี่ยกูตัวกูโสฬสีนเกิดขึ้นในใจก็จะไปประหารเลยบอกไม่เอาและความทุศีน์ก็จะตัดรอนความทุศีนได้เลยนี่กิจเขาทาแบบเนี้ยนั่นเป็นกิจจรัญสะแล้วเมื่อตัดรอนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะจนเข้าถึงความสมบูรณ์ของจิจนั่นแล้ว อันนั้นเขาเรียกสัมปติรสที่บอกหาข้อตีเตียนไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกสัมปติรสเข้าถึงความสมบูรณ์ถามว่าเวลาเราทำงานเนี่ยพลังงานนั้นเน่นะเมื่อการทำงานได้อย่างคล่องแคล่วอย่างชำนาญแล้วชื่อว่างานนั้นสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แล้วนั่นแหละการทำเบื้องต้นในทำนองอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นกิจจาสระ จิตของงานแต่เมื่อทำการงานแล้วเนี่ยจนการงานเข้าถึงความคล่องแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติเข้าถึงความสมบูรณ์และของจิตนั้นแลละส่วนปัจจุปทานนั่เนี่ยนะมีความหมดจดเป็นอาการปรากฏในปัญญาของบิดีทั้งหลายเนี่ยอันนี้หมายความบอกว่าถ้าจะดูว่า ผลของศีลบริบูรณ์หรือไม่ดูตรงไหนกายสะอาดไหมกายสะอาดหรือไม่สะอาดวาจาละ่ะใจละ่ะกายสะอาดคืออาบน้ำให้ผิวพรรณสะอาดใช่หรือไม่กายสะอาดก็คือไม่ข้าไม่ลักไม่เบื่อปิดในกามใช่ไหมวาจาสะอาดไม่ใช่พูดเพาะแปลงควันหรืออย่างนั้นนะวาจาสะอาดก็คือไม่พูดเท็ส่เสียดทั้งอย่าง ใจสะอาดคืออะไรก็คือไม่โลภไงไม่โกรธไงแล้วก็มีความเห็นถูกไงเห็นไมคือเนี่ยกายวาจาแล้วก็ใจสะอาดถ้ามองอย่างนี้เห็นไหมว่าผลเกิดหรือยังแล้วตอนนี้เกิดหรือยังเนี่ยที่นั่ ง, งเนี่ยเนี่ยี่เกิดวหญขนาดนั้นเลย <c oughs> นี่ไมเจริญตอนไหนามาไม่เห็นเลยอ่ะ แอบอย่างนี้เขาเรียกแอบซุ่มเจริญเนี่ย <laughs> นะตัวโกศลศีลเกิดในลักษณะอย่างนี้นะส่วนเหตุใกล้ประทัดฐานในไหมโอตปะฮิริเราโอตปะเป็นเหตุใกล้ความละอายชั่วกลัวบาปลองลองพิจารณาแล้วเกิดความละอายเนีย มาพิจารณาก็เกิดความละอายต่อบาปมากใช่ไหมว่าบาปกระทําทั้งหลายที่ทําไปเนี่ยคือคิดถึงตนเองคิดถึงว่าเรามีการศึกษาคิดถึงว่าเราเป็นวาสิกาต่างๆของพระีภาธเจ้าเป็นตัวไหนเนี้ยเราติดพิจารณาดูหลายๆอย่างดูทีจะไม่กล้าทําบาปเนาะที่คนกล้าทําบาปได้เพราะไม่คิดมุมนี้ไง อ่ะคิดว่าเอ้เนี่ยคนที่กล้าทำทุจริตทางกายทางวาจาใจก็ทุจริตเนี่ยเอยเราเป็นประกาศเป็นอุบาสิกาของพระอุบาสกาบาสิกาเป็นเครื่องหัที่นับถือาศาสนาของพระชินจเจ้าผู้เบื่อเสฐแล้วเนี่ยการที่เราจะมาทําทุศีลไปวันๆเนี่ยไม่ควรแกเราเลยเนี่ยคิดอย่างนี้ละอายไหมคิดทุกวันได้ไหมคิดตลอดเลย พอความชั่วจะเกิดมาก็เอี้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระบรมศาสดาจะมานั่งฟังหลับหลับสบงบนีิได้ไหมอะไรเงี้ยไม่สมควรแก่เราเลยยังไนะพระบรมศาสดาก็อุตสาตั้งเราเป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทสี่นะไม่ธรรมดาเนี้ยอีย้เรามาทําความอ่อนแอในพระธรรมคําสอนของพระาศาสดาจึงไม่คู่ควรกับเราคิดอย่างนี้อยู่บ่อยบ่อได้ไหม แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าทําชั่วไปเนี่ยปัจจุบันน่ะรอบนี้ก็โดนลงโทษโลงทันโดนตีเตียนเยอะแยะเบียดเจแม้ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอย่างเงี้ยหน้าตาก็น่าเกลียดน่ากลัวยหยสัตว์ดิบชานก็เห็นเต็มไปหมดนนในทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะแล้วก็เปรตอสุรกายต่างๆอะไนี้หูวยิงน่าเกลียดหรือถ้าหากว่ากุศลสีนั้นมีหา ง, งหางของกุศลหางหางของความทุศีนี่นะ เกิเป็นคนพิกลพิการบ้าใบาบอดงวงถูกตัดถูกตอนเยอะแยะเบสเด็ใช่ไหมล้มละลายกันต่างๆเยอะแยะเห็นไหมแล้วค็พิจารณาดูว่าบางคนก็พิกลพิการบางล้มละลายบ้างบางคนก็อายุสั้นบ้างโรคภัยใค่เจ็บเยอะบ้างบางคนก็แตกแยกบริษัทบริวารทนการทุ่มสีหมดเลยใช่ไหมพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นอะไรกลัวไหเนี่ยมันขาดการคิด ขาดโยนิโสฉะนั้นถ้าจะจะล่วงละเมิดศีลเวลาอะไรก็ใช้ความคิดเนี่ยเป็นเหตุกล้ายอง็งศีลเนี่ยคิดบ่อยๆใครใครควรบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆทำได้ไหมไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าหากจะเกิดคิดชั่วขึ้นมาเบียดเสเอฟเนี่ยถามบอกว่าเอฟเราเป็นอุบาสกหรือเปล่าแปลว่าเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเป็นอุบาสิกาหรือเปล่าเอ ที่เป็นเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าตั้งนะเนี่ยเราอยู่ในฐานะเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วมาทําอย่างนี้ไม่ควรกันเราเลยนี่อีเรอตปาอีเร่เกิดเอเสลาตามชั่วขึ้นมาเนี่ยบา ป, ปรกรรมเนี่ยไม่ได้ไปทรงมันไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเลยนะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เราทําชั่วแล้วศัตรูเราได้ดีที่ไหนล่ะใช่ไหมลืมไปเบียดเบียนคนอื่นที่ไนหะเราทําชั่วเนี่ย รมชั่วนั้นก็มาเบียดเบียนกระแสชีวิตของเราเองพอคิดอย่างนี้เบียดเสร็จก็ไม่กล้าทำชัว่วหมดเวลาแล้วอ้าวมีใครจะถามบัาหนอ๋ อ, อคืออย่างนี้คื อ, อยังเรียนไม่ถึงก็หมายความว่าต่อไปจะเรียนเรื่องสติเป็นศีลยังไง ตัวสติเนี่ยอยู่ในชั้นของอินเดียสังวรศีเป็นศีลที่พัฒนามาจากหลังจากปาฏิโมกสังวรศีลแข็งแรงแล้วเมื่อปฏิโมกสังวรสีลแข็งแรงแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าคุมสถานการณ์ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้แล้วทางกายกรรมวิจีกรรมได้ดีแล้วหนักเข้าก็ทําให้ละเอียดยิ่งขึ้นเลย ด้วยการสังวรระวังเห็นรูปแล้วอ่ะไม่ให้ราคาโทสะมุอหมุนก็สุขกระแสจิตได้ยินเสียงดมกลิ่นลิมรสสัมผัสคิดนึกไม่ให้ราคาโทสะมุอปิดเลย ป, ป, ป, ป, ปิดบาปบาปทางกายทวารวจีทวารและมโนท ว, วารเลยลักษณะอย่างนี้เป็นสติสังวรฉะนั้นสติเป็นศีลตัวหนึ่งแต่เป็นอินเดียสังวรศีล ถ้าถามบอกว่าเขตใกล้ของสีคือฮิริโอตปาคือความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาปฉะนั้นการคิดการใส่ใจการใส่ใจในความละอายชั่วละอายละอายต่อกายโยุจริตวจีโยุจริตมโนทุจริต และละอายต่อตัวเองสถานะการศึกษาเป็นต้นตัวเองเป็นต้นเหรือเนี่ยหรือว่าละอายต่อการที่เราเป็นบริษัทของพระเจ้าการทําอย่างนี้ไม่เหมาะกับเราเป็นต้นอันนี้เป็นหินโอตะปากก็คือละอายต่อกรรมที่กระทําและผลที่จะได้รับประทังปัจจุบันและในภพต่อไปนี่เป็นโอตะปากการคิดอย่างนี้เป็นตัวกระตุ้นทําให้กุศลศีลเกิดอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าถามบอกว่า สติเนี่ยเป็นเหตุของศีลไหมเป็นเพราะเป็นอะไรเป็นอินซีสังวรแต่ไม่ใช่อยู่ๆไปเจริญสติได้นะเพราะบางทียังไม่รู้ปฏิโมกสังวรศีลเลยอะ่ะเราก็สอนเรื่องสติซะแล้วเนี่ยซึ่งเป็นอินซีย์สังวรอีกระดับอีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยนะซึ่งสอนที่จะต้องจัดการกับกิเลส ท, ที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปเงี้ย นี่เป็นเป็นตามลำดับอย่างนั้นคือศีลเนี่ยเขานั่งแท่นอยู่ที่ใจแต่มาวควบคุมกายกรรมและวจีกรรมฉะนั้นเมื่อนั่งแท่นอยู่ในใจแล้วเนี่ยเขาเบบัญชาการอยู่ที่ใจนู้นเขาไม่ใช่เบรบัญชาการอยู่ที่กายกับวาจาเพราะกายกับวาจาจะเคลื่อนไหวได้เนี่ยใจเป็นผู้ดาเนินการคิดนึก ถ้าใจไม่มีศีลแล้วการคิดการกระทาทางกายแลว้วาจามันก็คือทุศีล น, นั่นเองฉะนั้นถ้าถามบอกว่าศีลเนี่ยาพาดพิงถึงใจไหมถึงเลยเพราะอะไรถ้าศีลห้าคนที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ ศี่ห้าและกุศลกรรมโมบสิบเห็นไหมถ้าพูดถึงกุศลกรรมโมบสิบเนี่ยกายใช่ไหมเว้นจากกายทุจริตสามเว้นจากวจีทุจริตสี่แล้วอะไรอีกมโนโทุจริตสามเห็นยังพอมโนโทุจริตก็คือไม่โลภ ก, ก็คือใจนั่นเองไม่โกรธก็คือใจนั่นเองแล้วก็มีปัญญาคือใจนั่นเอง นั้นให้สังเกต ด, ดูไหนว่าอันนี้ราวตามคําสอนไม่ใช่ในไหนในคำภีวิสุทธิมากเช่นถ้าถามว่าความไม่โลภเป็นศีลเนี่ยเจตสิกศีลไงความไม่โกรธก็เป็นศีลปัญญาก็เป็นศีลถ้าใจอย่างถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่พูดแบบไม่มีที่มาไม่มีที่ไป พอพูดถึงในวิสุทธิมรรคยกพุทธพจน์เลยใช่ไหมในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่ากายสังเจตนาเป็นต้นที่กล่าวถึงในเรื่องของคาบอกว่าในเรื่องของศีลที่ท่านพูดถึงในเรื่องคำว่าเจตในเรื่องของเจตนาเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลแล้วก็พูดถึงในเรื่องของสังวรเป็นศีลเป็นต้นเหล่านี้ ท่านก็กล่าวในลักษณะที่ใช้คําว่าติวิทาเนี่ยมีพุทธวจนะนี้ที่บอกว่าติวิทาภิกขเวกายสันเจตนากุสลังกายกรรมมังเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายสันเจตนาสามกายกรรมที่เป็นกุศลคือเจตนาที่เป็นไปเนี่ยนะกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลและ มันโนกรรมที่เป็นกุศลเยอะยะอันนี้จะว่าไงเลยเนี่ยถ้าไม่เชื่อพระเจ้าก็ลำบากแล้วะวยอะแยะไม่มีครถามใดเนาะดีไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ประเสริฐยิ่งนะคะเป็นเวลาที่มีคุณค่าแก่การที่จะใกล้ครวนในธรรมอันมีพระคุณเจ้าคือท่านพระปหลัดสมทบปรากโมได้โปรดกรุณาแสดงธรรมเทศนาในหมวดธรรมต่างๆซึ่งจะเหมาะควรแก่การที่พวกเราจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ในโอกาสนี้นะคะขอให้พวกเราลงนั่งกับพื้นนะคะเพื่อจะได้มีโอกาสในการขอเข้ามาแด่พระรัตนตรยัยอันเนื่องด้วยพวกเราอาจจะมีการร่วงในกายกรรมวัมจจกก ร, ร ม, มโนกรรมซึ่งะจะเป็นโทษเป็นภัยต่อตัวเราเองเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งเจตนาอันเป็นกุศลอันตั้งมั่นกล่าวขอเข้ามาพระรัตนตรยัยด้วยบทกายเยนะพร้อมกันคะ่ะ กาเยนะวาจายาวเจตสาวาพุทเอกุกรร ม, มังปกตังมยายังพุทโทปติคันหาตุอัญชยันตังการันตะเลสังลาวิตูวะพุทธเกาเยนะวาจายวเจตสาวาธรรมเมกุกรร ม, มังปกตังมยายังธรรมโมปฏิคันหาตุอัญชยันตัง การันตะเลสังรวิตุวะธรร ม, มีการเยนาวาจายาวาเจตาสาวาสังเค ก, กุกรรมมังปกตังไมายาหยังสังโคปฏิคันหตุอัจยันตัการันตะเลสังรวิตุวะสังคีกลากลาลพวกเราน้อมเจตนานะคะเสมือนหนึ่งว่าเรากําลังถวายปัจจัย ที่เหมาะควรแก่สมนาบริโภคด้วยมือเราค่ะสาธุสาธุสาธุเโมทนาด้วยนะเพราะมีความสุขความก็พาก็การปฏิบัติเรียนตามกระทำของพุทถ้ามีโอกาสก็ช่วยว่ากันนะ